ตอนนี้วันนี้ปฏิบัติวันสุดท้ายนะอีกสักยี่สิบกว่าชั่วโมงเนี่ก็จะปีใหม่แล้วท่านทั้งหลายคงดีใจว่ากูแก่มาอีกปีหนึ่งแล้วคงจะมีความภูมิใจปีนี้ลงทางก็เพิ่งได้รับสองข้อสอใบเนื้ออวยพรว่าจะเพิ่งแก <c oughs> เพิ่งเก็บ เพงตายเนี่ย น, นั่นเขียนไม่ไว้ว่าเจอชาติไหนๆขอให้ได้เจอหลวงตายอยีกผมกโอ๊ยกูเอาชาติเดียวพอแล้ววะมันจะมาเจอกันหลายชาติหลายนี่ก็โอ้ยทุกข์พอสมควรแล้วนะไม่รู้จะเจอไปทำไมไม <c ười> ่อะไรเจอแล้วก็แก่เจ็บป่วยตายเนี่ยนั่นโลกนั่นโลกนี้สารพัดนชาตินี่ก็แทบแย่แล้วเนี่ยหลวงตาก็เบื่อหน่ายนะยังไม่อยากอยู่เท่าไหร่โลกเนี่ยวันไหน นอนลหลายใจไม่ออกไอก็คือเนี่ยคิดเฮ้ยเลิดปิดคอตายซะ ม, มัะ่งเตี้อ่ะที่กว่าตื่นมาแล้มารักษาดูแลสุขภาพอะไรประมาณเนี่ยเฮ้ยหลวงปู่สังไม่ธรรมดาท่านสุขภาพท่านดีเขาชวนกินน้ํามากกินน้ํามักเนาะชวนกินน้ําบัตเสวะอายุยืนเนี่ยกินน้ําบัตเสวะนี่ยนะเขาชวนกินน้ําบุตรละท่านก็เฮ้ยคิดถูกก่อน ถ้าเอาทั้งหมดมันก็ เ, เกินไปแล้วเนี่ยเบาเนะขาพูดอะไรไม่ไหนกินมอดกินกล้วยดิบกล้วยอ่อนกล้วยซุกกล้วยอย่างหัวนั่นหัวนี่กินหมดทุกันนกะ็อายุยืนจริงๆนะคนคนเป็นโรคมะเร็งนะหลวงตาพูดอีกหน่อยไม่หมานเนี่ยมันจะตายแล้วที่โยมอุปถะถากวัดเห็นะตัวเลืองหมอเขาให้สักหกเดือน ถึงเก้าเดือนประมาณนั้นแหละตาก็เหลือง<ๆ>ก็จะตายคนเป็นโลกมะเร็งนะข้างในอะ่ะข้อห้ามอันนี้หมอคอมมินิตนะบอกมาหมอหมอหมอพวกที่ออกลบเป็นคอมมินิตแต่เก่านะไเรียนกินแดงมานะเบอกห้ามกินผลไม้นะจำไว้นะแล้วก็ห้ามกินเนื้อเนาะ ห้ามกินผลไม้ผลไม้ที่แย่ที่สุดสำหรับคนเป็นโรคอ่ะเนี่ยคือผลไม้ที่มาจากภูแลเน่ะอะไรสับประรดสับประรดเนี่ร้ายกาจมากกับโรคมะเร็งเนี่ยนี่เป็นรับข้อมูลมานะ้เนี่ยใครเป็นโรคข้างในเนี่ยนะะแต่ถ้าไม่เป็นโรคอะไรนะอาหารตอนผลไม้ที่อร่อยก็นี่แหละสับประรดเนะี่ยแล้วก็ปลาก็ให้กินปลาปิ้งเนี่ย ต้มก็ไม่ได้แล้วก็อะไรอีกครับไม่ได้นะหมอตาก็เชื่อเขาเล่นๆ น, นะไม่ได้เอาจริงแล้วไปฉีดยาเขาเนี่ยพึ่งกลับมาย่อยหมานตาเริ่มปกติแล้วเข็มเดียวเองนะมันอาจจะดีขึ้นแล้วอีกสิบห้าวันตายก็ได้นะเแต่วา่าดีขึ้นดีเลยผิวแต่ก่อนหมอจะเจาะท้องเพื่อต่ อ, ตอท่อน้ําดีออกมาเพราะแล้วตัวจะไม่เหลือง ถามว่าไม่ไม่ต่อไม่เป็นไรอ่ะพอถอดออกแล้วมันจะปกอคือถ้าต่อผิวจะไม่เหลืองตาจะไม่เหลืองไม่เลยไอ้ถามว่าชอบความงามไหมถ้ามันไม่มีผลต่อการรักษาเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องเจาะเลยไม่ให้เจาะก็เลยไม่ได้เจาะไม่ฉีดยาปกติต้องกินเมาฟีนนะมอโมฟีนหรือเมาฟินแเออ ที่มนฟินวันละสามเม็ดมั่งหรือสี่เขบศูนก็ไม่รู้นะโอเฉีดยานี่ไม่เจ็บอาทิตย์ละเข็มพึ่งฉีดเข็มนึ่งไม่เจ็บไปสบายแล้วที่สำคัญคื อ, อที่ตาเหลืองตัวเหลืองเนี่ยมันเริ่มกลับมาปกติอะมันธรรมดาเดินจุกลมได้แต่ยังเหนื่อยนั้นเอง ลุงตาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่ารักษานี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอเพียงแต่ว่าอย่าเจ็บจนตายเท่านั้นเองถ้าเจ็บอ๋อยไว้ตายก็ไม่ไหวนะบอให้ตายแบบไม่เจ็บห่อยเถอะตายเร็วก็ไม่เป็นไรนะเหมือนนั่งจีนนะบอกข้าพเจ้าขอทอนอายุข้าพเจ้าลงสิบปีหากไม่นางฟื้นขึ้นมา ยินดีตัดอายุไขลงอีกสิบปี<ม>นี่ทำได้จะสุขภาพดี<ม>แต่ก็คือธรรมชาตินี่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรถือว่าเออเผื่อคนเป็นมาฉีดด้วยกันเนี่ยถ้ามีคนเป็นนะฉีดด้วยกันฉีดเล่นแต่ตองตาว่าไม่ฉีดก็ดีตายซะอยู่ไปก็ลบโลกทุกนะทุก ก็อึดอัดกรดเคี่ยวอง่างนั้นเรื่องนี้นยแต่ตายไม่เจ็บก็ยังดีหน่อยแต่ว่าถ้าตายเจ็บเนี่ยแย่ yeah. ดูแบบสบายสบายตายก็ดีอยู่ก็ได้เนี้ยปล่อยวางทำใจว่างๆสบา ย, บายๆลงลงลุพอองพ่อคขาเขียนไปเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งตายมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองลุงพ่อเซียนก็ตายด้วยโรคมะเร็งนะ แสดงว่าหลวงพ่อจรัญ จ, จะตายด้วยโรคมะเร็งทีเด็ดนะถ้าท่านไหนปฏิบัติธรรมแล้วเป็นโรคมะเร็งคือว่ามาถูกทางลุ <c oughs> งตาก็เป็นนะแต่ก็หายแล้วลุงตาหายแล้วแม่เป็นโรคมะเร็งไงแม่เป็นก็เลยเป็นคนไหนเป็นก็ต้องไปตรวจดูแลรักษา พอเป็นกรรมพันธ์ในบางทีมะลิงเนี่ยแต่ก็หายังไม่หายดีเท่าไหร่หรอกนะเรา ย, ยังเก็บไว้ไม่ให้บรระมาดเก็บไว้ตายนะชีวิตนะเนะี่ยถ้าเราล้อเล่นกับความตายได้สบายอยากจะพูดอย่างหนึ่งนะให้เราเข้าใจคือปีใหม่อย่างนี้เนี่ยท่านทั้งหลายมาทุกเนี่ย ท่านทั้ ง, ทงหลายนี่มาทุกข์นะตั้งใจมาทุกข์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากลงตาไปทํารัวลงตาเห็นงูวันนี้ชื่อชัดชออกมาเฮ้ยก็เลยนึกขึ้นมาหลายหายคนนะี่ะเซรุม่มเซรุ่มก็คือพิษงูดีๆนี่เองนะเซรุ่มคือพิษงูดีๆนี่เองเมื่อฉีดพิษงูเข้าไปแล้วมันจะต้านพิษงูข้างนอกท่านทั้ ง, ทงหลายมาฉีดทุกข์เดี๋ยวเนี้เมื่อฉีดทุก กลับไปเนี่ยมันทุกข์นี่ท่านไม่กลัวเพราะท่านฉีดทุกข์กลับไปแล้วเสียดายจะลงตาฉีดให้น้อยฉีดให้มันทุกข์เยอะเวลากลับไปมันไม่กลัวทุกข์ไงแต่ถ้าปฏิบัติสบายพอกลับไปกระทบกระทั่งหน่อยเป็นทุกข์นะเนี่ยมันไม่ค่อยทุกข์ละถ้าเราสู้กับทุกข์ได้ฉีดทุกข์ได้ต่อมาเวลามันทุกข์เข้ามามันไม่ได้กลัวกูทุกข์มากกว่านี้กูไปวัดสมนั่นมากูทุกข์มากกว่านี้ข้าวกูก็แทมไม่ได้กินอันนี้มัน บางวันก็ให้กูกินว่างเมื่เช้ากูไม่กูกินโว้ยหิวไหมตอนเจ้าหิวไหมขออภัยในความไม่สะดวก <c oughs> มีกองวัสดุบนไหลาทางหัดเอาเพื่อบ้างหัดกินบ้างหัดไม่กินบ้างอ่ะมันอยู่ที่ใจนะถ้าหันไม่กินถ้าเราทําใจได้เฉยอันสบายไป แต่ถ้าไม่ให้กินสองคนนอกนั้นกินหมดนี่โอ้ยอันตรายอันนี้ว้ากูผิดอะไรกูผิดอะไรไม่ให้กูแดกได้ผิดอะไรวะพวกนั้นทําไมได้แดกเว้ยเนี่ยมันว้า ม, มันโกรธกันดีนะไม่รู้เป็นไงนะแต่ไม่ได้กินเสมอกันฮะคงเป็นบทเรียนแนะที่ยิงอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนน้ําลายนี่แหละถ่มว่าเสีน่นี่น้ําลายเรานะไม่กล้าเลียเข้าไปแต่ถ้ามาอยู่ข้างในก็เกินเหมือนเดิมปแปลกมาก ไปเห็นกองขี้นะระหว่างทางเฮ้ยถุ ย, ยแต่พอไปดูเขาปิ้งหมูคือน้ำลายน้ำลายเราเคยเองนะอันเดิมและแต่เ้าจะปแปลบางทีลักขังใบเดิมน่นนะเขาตีตอนตื่นนอนอตีเลียวแม่มันแต่ว่ <laughs> แต่พอตีตอนกินข้าวว้าสวรรค์ปวด เสียงเันเดิมมันเดิมเงนเดิมเงนเดิมแล้วถ้าไม่คิดอย่างนั้นนะมันอยู่ที่เราปรุงแต่งไงนะถ้าเราปรุงแต่งเดี๋ยวนี้เรามาเรียนรู้นะเดี๋ยวนี้ช่างท่านให้กินก็กินใหม่กินก็ตามว่าอย่างไงก็ว่าไปอะไรประมาณนั้นคือมันเฉยคือฉีดทุกข์เข้าไปไงฉีดทุกข์รู้ทุกข์ลหลายๆคนไม่กล้านะหนีไปหมดนะคนนั้นก็ห น, นีกับคนนี้ ก, ก็ไปแล้วมันทุกข์ไง ม, มันทุกข์มากคิดมากทุกมาก ของเราเนี่ฉีดมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ า, า, ขารับทุกขเวทนาเวทนาเกิดขึ้นดูมันอา้าไม่ใช่ไลนี้เวทนาก็ไม่ไม่ปฏิเสธรับได้ทุกขเวทนาก็รับได้บางทีสุขก็มีอ้องมีสุขในสมาธิอีกต่างหากมีปีติมีโรคมีโลงโอ้ยอย่างนี้ก็มีคือเราจะเริ่มเรียนรู้หลายบทบาทในจิตเขาเนี่ยเห็นหลายอย่างไม่ใช่เห็นแต่ทุกนะความสุขก็เห็นนะ ทุกทางกายก็รู้จักต่อมาเราไม่ยดึดติดแล้วทุกทางกายเราเข้าใจมป น, นะโอ้ทุกทางกายก็เป็นอย่างนี้นะแต่มันมีอย่างหนึ่งคือทุกทางจิตโอ้เป็นอย่างนี้เองนะทุกทางจิตมีสองเงนนะิน่ะได้กินเป็นทุกที่จริงได้กินมันเป็นทุกไม่ได้กินก็เป็นทุกแต่ก่อนได้กินรู้สึกเป็นสุขให้มันไม่ใช่นี่วะถ้าเราไปยึดกับมันมันก็เป็นทุกนะเนี่ยถ้าไม่ยึดกินไม่กินก็นเป็นทุกเออทุกยังมีกินแบบโลภอีกไม่โลภอีกอะกินแบบติดอารมณ์ไม่ติดร ว่ามาเรียนรู้มากไายหลากหลายชีวิตเนี่ยที่สุดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเออที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะกระบวนการ น, นั้นชีวิตเนี่ยดูมองแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของความปรุงแต่งของเราเองทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เราจะแปลงปรุงแต่งกระทบเหมือนกันนะทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบดีเดียวกันถ้าเราดีใจเป็นสวรรค์เสียใจเป็นนรก กระทบแล้วปล่อยวางเป็นนิพพานเกิดแล้วดับเนี่ยเป็นนิพนิพพานอืมว่านะแปลว่าเย็นนัน่นเองนิพพานแปลว่าดับเย็นดับเย็นแต่ถ้าดับเฉยๆไม่เย็นนี่ก็ไม่ใช่นะต้องดับเย็นด้วยต้องเป็นสภาวะที่มันลงไปด้วยสมัครลงไปทำลงดับมันนะแต่เราดับดับอารมณ์อย่างกระทบปุบ๊บเราดับได้อย่างเงี้ยมันยังไม่เป็นมันเป็นทางมันเป็นจุดเริ่มต้นอะ แต่นั้นพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์ลึกๆนะเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องคนบรรลุธรรมในระดับต่างๆสภาวะของจิตที่เปลี่ยนแปลงภาวะแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอภาิธรรม อภิธรรมก็อธรรมที่มันลึกๆเรามาปฏิบัติธรรมนี่เรียนอภิธรรมนะแต่ไม่ใช่เป็นเดียนอภิธรรมที่วัดะระฆังไม่ใช่เป็นเรียนอภิธรรมที่วัดมหาธาตุนะรถตาเข้าไปเห็นเขานั่งเรียนอภิธรรมนั่งเก้าอี้นะพวกชมลมสวดมันก็สวดเหลือเกินน่ะสวดจนค่านะสวดเขานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้เหมือนเด็กน่ะเก้าอี้เลคเชอร์นะเอาวาพวกมันก็สวดนะสวดตั้งแต่เช้าถึงค่ำ น, นะเอาสวดดีจัง ผู้เรียนเดี๋ยบิณฑบาตทำจิตเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงเกิดอย่างนั้นเท่านี้ดว้วยว่าโดยย่อมีแปดสิบสี่ดวงว่าโดยพิสดารร้อยี่สิบอ็ดวงเลยไหมนะมันเป็นดวงเป็นดวงแต่เรามาเห็นไม่มีอจิตเพียงสภาวะรู้อารมณ์เฉยรู้มันคิดก็รู้มันไม่คิดก็รู้เลยไหมเนะี่ยไม่ไปยุ่งกับภาษาไม่ได้พูดถึงอันนั้นมันพอเป็นอาการก็มันระหโหเป็นโรค ก, ก็คือโรคจบเป็นโรคไหมเป็นโรคแต่เป็นโรคชนิดไหน โรคมีกี่แบบเนี่ยเราไม่ไปไล่มันอะจิตมีกี่อย่างเนี่ยจิตราคะโทสะโมหะงุนหิดเบื่อในเราเอาแค่อย่างเดียวคิดนะไม่รู้ก็คิดนะถ้าคิดมันแสดงว่ามันไม่รู้ถ้ารู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็ไม่คิดเราสองเงินเดียวเอง <c oughs> คือทําของมากๆเนี่ยอย่าไปทําให้มันวิสัยดานให้มันเป็นของน้อยๆ <c oughs> เรื่องมันเยอะๆเนี่ยเอามา ลงมาแค่รู้กับไม่รู้พอู้ก็รู้รูปรูปนะมันมีรูปกับมีความรู้สึกตัวมีสองอันมีรูปกับนามกายเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปนามกายเนี่ยนะเป็นนากา ร, รการของกันเกิดหน่อยถ้ามีแต่รูปไม่มีนามก็ไม่ได้มันอยู่ด้วยกันรูปกับนามเนี่ยทีนี้อันนี้ เป็นนามไอ้ความรู้สึกเนี่ยเวทนาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่ว่าเป็นนามสมมตินะมันมีเกิดดับนามปรมัาณคือสภาวะของปัญญาญาณของการรู้แจ้งหรือสภาวะที่ฝึกฝนไปจากสติเนี่ยอันนี้เป็นนามปรมัาณของการมารับรู้อันนี้ที่นี้รูปที่เป็นรูปปรมัาณเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่เกิดดับในจิตนะเนี่ย มันเกิดตลอดแต่รูปวันนี้เป็นรูปสมมุติเ น, นี่ยรูปประทัดเนี่ยไม่เหมือนรูปประขันนั้นเวลาท่านบอกว่ารูปเนี่ยทุกเป็นสีต้องกําหนดรู้บางคนมานั่งดูทุกทางขาเนี่ยทุกข์ก็เจ็บปวดทุกขเวทนาเนี่ยแล้วกลารเป็นสมาธิเพ่งจ้องกดมันไว้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทุกขขันห้าเ น, นี่ยทุกขธาตุสี่นั้นบางคนไปกดอยู่นานๆเดี๋ยวทำมันไม่เจ็บไม่ไหวไม่ติง่ง แต่ก็ไม่เห็นแจ้งเพราะว่ามันไม่ใช่ขันธ์หไม่ใช่รูปความคิดรูปของความคิดมันพุทออกมาเนี่ยเห็นมันดับได้ทันทีไหมเขาให้ฆ่ารูปให้ทําลายรูปนะรูปมันออกมานี้ยฆ่ามันทันทีทําลายมันทันทีเราก็ทําลายไม่เป็นน่ะเรานึกว่าจะมาทําลายอันนี้เราบอกเขาใร่างกายเนี่ไม่ใช่ของกูจริงมันก็เจ็บนะเจ็บมันก็ปวดนะแต่เราก็รู้มันไม่ใช่ของเราน่ะแต่ก็แก้ไขไม่ทำอาการ แต่ทางจิตเนี่ยเกิดตรงไหนให้ดับตรงนั้นแท้ดีเลยรูปทางจิตเนี่ยเกิดปุ๊บใหนดับทันทีอันนี้เขาเรียกว่ารูปประขันภายในก็ตามภายนอกก็ตามอยาบก็ตามละเอียดก็ตามอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามรูปประขันรูปของความคิดที่เป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามอจจตังวะปีตาวะโอราลิกังวะสมมังวะใหญ่ก็ตามน้อยก็ตามไรก็ตาม ที่มันพุทออกมาจากใจนี่ให้เห็นว่าเป็นเพียงรูประดับตันดีเลยรูปประขันเนี่ยรู ป, ปรขันแต่ร่างกใจนี่เป็นรูปประธาตเป็นมหาภูตรูปเนี่ยแต่รูปประขันนี่เขาจัดเป็นอุปาทายรูปเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าพูดเรื่องอวิธ ร, รมเนี่ยมันจะยากเข้าไปในวิชาการนะแต่คนไม่มีวิชาการก็ปฏิบัติแบบไม่มีวิชาการนี่แหละแล้วมันจะเข้าใจทำได้เร็ว สงสารพวกไปเรียนแบบวิชาการเนี่ยนั่งทั้งวันพิจารณาลูกเป็นแบนั้นี้พวกหมอชอบไปเรียนนะวันเรียนแล้วมันได้คิดไงเพราะเขาศึกษามันแบบความคิดนั่นไปเรียนอะไรที่มันมีคิดมีนั่นมีนี่เขาจะชอบนะจริงๆเสียเวลาเสียเวลาสมัยพุทธการกับแบไหนมีอะไรไม่ได้เรียนนะ<ม>อะไรพิธำพิธิมอะไรมีแต่บอกว่ารู้สึกตัวเขาเข้าใจไหมนี่สติตัดความคิดได้ตัดความม่วงได้เ น, นี่ยเราไมบอกนะสติ บอกแล้วก็บอกนั่นโคนไม้นั่นเลือนว่างนั่นกองฟางนั่นบอกจงไปตั้งกายตรงเดินจุกรมนะสร้างจังหวะรู้สึกตัวกําหนดลมหายใจก็กําหนดรู้ใครจะเอาอยัางไรก็รู้สึกกําหนดรู้สึกตัวอา้าวเดี๋ยวเป็นพระอรหันแล้วเจ็ดวันองค์นั้นแปดวันองค์นี้สิบห้าวันเป็นพระอรหันแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เรียนแบบนั้นเดี๋ยวเนี้ไม่รู้ยังไงอ่ะไปอ่านตำรับตําราอย่างโน่นอย่างนี้นเว้นเนี่ย แล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราต่อสู้กับกิเลสเ่ยเหมือนโยมบ้านั่นแหละเดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมเต็มประเทศไทยแต่มีกี่สำนักที่สู้กับกิเลสจริงๆเนี่ยเออเราไม่ค่อยได้สู้มันแต่ไปปฏิบัติธรรมเราเลยไม่รู้จักการเกิดการดับของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทว่ามันเป็นจบตรงไหนนะปริยัติที่มันเกื้อกูลต่อปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยสัมมาทิฏฐิภายนอกกับสัมมาทิฏฐิในภาวนามันต่างกันยังไงเราไม่เข้าใจ พอไม่รู้ไม่เห็นมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเกิดปัญหายัางไงล่าช้าสีเวลาเป็นปะปญจะทำเนื่นช้าเฮ้ยแทนที่ปฏิบัติทำมาสักห้าปีสามปีสองปีสองสามคอสเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วนะอะไรประมาณนะั้นนั้นเราัวไปจมอยู่ความสงบมันก็ไม่เห็นทำซาเนี่ยปัญหาฉันได้หลายคนนะเอาแบบว่าเอานอนขอนไม้นะั่นเลือนว่างก็ไปตั้งใจตรงและลึกรู้ รู้รู้ง่วงมารู้เปลือ ม, มาท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสมัยโน้นก็มีนี่วอนห้านี่วอนห้าเข้ามายุ่งกับจิตนี่วอนหเป็นอาหารของอวิชชานะทีนี้นี่วอนเนี่ยอาหารของมันก็คืออายุนิโสมนัสิกานมีแต่ทำกับทำแต่ไม่สังเกตถอไม่สังเกตคุณจะไม่เห็นตัวง่วงไม่เห็นเนี่ย เพราะมันม่มีโยนิโสต้องสังเกตแล้มันม่วงมาตอนไหนนี่ธรรมะเนี่ยรูปประคันเนี่ยเราเห็นมันไม่นี่แยกแยะนะแต่เราปฏิบัติทำในคิดกับไม่คิดปรุงแต่งก็ไม่ปรุงแต่งเท่านั้นเองนะเนี่ยฟุ้งซ่านก็ไม่ฟุง้งซ่านงุนิดก็ไม่งุนิจเนี่ยเห็นเนะ่ยมีรามันเหมือนในอาณาปณะสติสูตรนะ ที่แรกก็เริ่มรู้สึกตัวหาจะเข้าก็รู้หายจะออกก็รู้ลมหยาบลมละเอียดก็รู้พอรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันต่อเนื่องปุ๊บก็จะไปเห็นนาที น, เนีเห็นว่ามันง่วงไม่ง่วงฟุง้งซ่านไม่ฟุง้งซ่านโล่งโปร่งเบากลื น, นเบาสบายเริ่มเสร็จมีสติเริ่มมีปีติเกิดขึ้นกันหลยไปเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นการรู้แจ้งมปเลย คือเริ่มต้นเนี่ยขอให้มันเริ่มดูต้นเริ่มต้นด้วยการดูอย่าเรายกมือเนี่ยเป็นการดูแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ดูน่ะมันจะไหลเข้าไปสู่ในนิวรณ์ดิเนี่ยมันจะคนละอันในอาณาปณะสติกรณีในกายยคตาสติสูต ร, รกรดีเขาเริ่มต้นที่รู้สึกตัวหลังจากนั้นก็ให้สังเกตเรื่องนิวรณ์ดีเลยเราที่เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรดมากเนี่ยเราดูเลยทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยนะ ส่วนมากพวกนั่งหลับตานี้ส่วนมากเขจะเปเน้นทุกที่เกิดจากขาจากแขนจากน้นจากนี่โอ้คนนี้นั่งได้จนสว่างเนาะคนนี้นั่งดีนะอนะไรปะมาณ่ั้นรุ่ถ้าเคยไปอยู่กับพระญี่ปุ่นพระฝรัง่งนะอยู่ในถ้ำกับพระญี่ปุ่นนั่นแหละสอนให้ว่าไม่ให้กินน้ําสะอาดนะพระญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นไม่ให้สอนเแี่ไม่ให้กินน้ําสะอาดเขาว่าร่างกายมันจะไม่มีภูมิต้านทานนะไม่ให้ต้มน้ํากินไม่ใช่น้ําสะอาด ไม่ให้ต้มน้ํากินคนอื่นเขาต้มน้ำตลมันไม่ให้ต้มกินน้ําธรรมดาเนี่ยนะมันจะไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยกินเอย่างเนี้ยจุลินทรีย์และตัวแบคทีเรียตนีงยหลายอันไปอยู่กับเขาในถ้ำเขาทําแบบหลับตาทําแบบพุโทโธแอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะเข้าไปลนะ้วตอน ตอนเย็นเขาเข้าไปแล้วเขาออกมาตอนที่สี่เราก็เข้าไปตอนที่สี่ไปทำบัตรสวดมนต์ทีสี่ที่ห้ 5. แต่กลางคืนเนี่ยเขาจะเหมาหมดเลยนะกลางวันเนี่ยเขานอนพระพวกเนี่ยคือตื่นมาแล้วก็ปัดกวาดไปบินธบามาแล้วก็ฉัน แขนแล้วก็นอนเพราะกลางคืนไม่ได้นอนเนี่ยนั่งสมาธิตลอดเขานั่งสมาธิในในถ้าตลอดเวลาถ้ำนมจะมีรูลงมาลมพัดดีดีแต่ของเราเนี่ยเขาไปสร้างจังหวะตอนกลางวันปฏิบั ต, ติตอนกลางวันเพราะเขาไม่อยู่เขาออกมากลางวันเราใช้นะแต่กลางคืนถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลามาปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ของเขากลางวันเนี่ยเขาจะนอนเลย กลางคืนทําความเขียนลุงตากเอ๊ะเขาไปสู้กิเลสตอนไหนเนี่ยพอตอนนั่งอยู่ก็บางวันก็ไปนั่งที่หลังเข้าไปอยู่ขเขาเนี่ยเขาก็มียานโยกยานเอน็นยานอะไรเนี่ยเราก็ดูเขาก็ <c oughs> อยากบอกเขากันเนะี <c oughs> ย่ยแต่ก็่ังว่านยู่แหละคนมันยากสอนไม่ได้สอนยากแนะนําให้ไม่ได้อาศัยการสังเกตนี่แหละ โยนิโสมรดสิการคือสังเกตมัานนะสังเกตว่านมันง่วงมันมาตอนไหนนะคือปฏิบัติทำแล้วต้องมีโยนิโสโยนิโสคือคอยสังเกตสติเนี่ยคือการสังเกตเลยเนี่ยเนี่ยสังเกตมันแวบออกไปก็รู้มันแวบออกไปมันไปแล้วกับรู้สึกตัวใหม่ๆเดี๋ยวมันก็มามันไปเดี๋ยวมันก็มามันมาแล้วกพยายามประคองให้มันต่อเนื่องให้มันรู้สึกมันรักบ้านของมันน่ะ มันไม่อยากไปไปแล้วมันก็ปรุงแต่งเลยเป็นทุกเย็นยาวเสร็จปุ๊บมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีนี้ไปปล่อยมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรอันเดียวก็ดับอย่างดียอ่ะแล้วไปยุ่งกับมันทําไมปล่อยมันไปทําไมมัน่ะดึงกลับมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆดึงกลับมาสักสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งถ้าเจ็ดวันเนี่ยดึงไปดึงมาเนี่ยมันจะกายเป็นความเคยชินมันไม่อยากออก มันกลายเป็นว่าพอมันคิดพุ่งเห็นได้ดีมันก็กลับมาได้ดีมันกลัวมันกลัวคําว่ากลัวนี่คือไปแล้วมันก็ดับเองอ่ะมันกลัวอันนี้จังไงไปแล้วมันก็ดับความคิดเนี่ยมันจะไม่อยากไปมันก็กลับมากลับมาเร <le> ื่อยๆสติเราก็เริ่มต่อเนื่องเร <le> ื่อยพราต่อเนื่องทีแรกเห็นรูปนามเห <le> ็นรูปนามเห็นกายตามความเป็นจริงทีนี้พอรู้จักสมมติ มันจะเริ่มรู้จักรูปนามทั้งหมดและเริ่มรู้จักการปล่อยวางสิ่งที่ห ย, ยาบๆนะจนกระทังว่าสติมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงแต่ก่อนแยกสติกับความคิดออกจกากกันได้ต่อมามีปัญญาเกิดรู้รูปนามขึ้นมาพอรู้รูปนามอยู่กับรูปนม า, ามมากเข้ามาเกิดจิตมันเปลี่ยนนะจิตมันเปลี่ยนมันก็จะรู้จักปรมาษฎ การรู้จากปรมัจั๋นี่แหละคือการรู้จักอภิธรรมผู้ใดรู้จักปรมาจั๋เนี่ยคนนั้นรู้จักอภิธรรมมันจะรู้จักขันห้าเกิดดับเนี่ยคนใดเห็นความคิดเห็นอารมณ์เกิดดับได้ในขันห้านะเบื่อเกิดดับไปตื้นๆนะไม่ใช่เกิดดับแบบถามวอนะนะเดี๋ยวมันเกิดมาเดี๋ยวมันก็ดับไปเ ก, บเกิดมาก็ดับไปดูมันเกิดมันดับความม่วงเกิดมากกระดับไปจิตเริ่มมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้นะรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้น ไอ้เจ้าจะสังเกตว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่มันเริ่มเป็นอัตโนมัติละเนี่ยแล้วมันที่มันเป็นอัตโนมัติได้เนี่ยเพราะมันเห็นความคิดแล้วมันมันดับเองได้อะมันดับด้เรื่อยๆเขาเรียกว่าจิตมันเริ่มเป็นปรมัณต์แปลว่าเนี่ยรู้จักปรมัณต์เนี่ยมันจะรู้จักขันธ์ห้าพอรู้แจ้งประธานในขันธ์ห้ามันก็จะเป็นพระละทีเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นพระก็ตรงนั้นนะตอนนี้มันยังไม่เป็นพระ ทำมันแยกตัวนี้ไม่ได้มันก็ไม่เปลี่นพระจิตมันไม่เปลี่ยนให้เนี่ยนั้นอาศัยคนปฏิบัติธรรมสามารถรู้อาิธรรมในภาคปฏิบัติกับอไิธรรมในหนังสือเนี่ยมันจะต่างกันอ่านหนังสือก็อ่านโอ้ฟังงงเนี่ยจิตมันจะไม่สงบมันไม่เย็นขณะรู้รูปนามในจิตก็ยังเย็นสงบสบายนะแต่ถ้าเราผ่านได้มันก็จะเยือกเย็นมันจะสัมผัสได้มันเริ่มคล้ายๆว่า เข้ใจทําไมมันดีอย่างน่ะมันมีความสุขนะกับการเห็นเนี่ยมันจะเริ่มมีความมั่นใจว่านิพานมันมีจริงนะเนี่ยรู้ทันดีนะเส้นทางไปหาดุพานเนี่ยมันไปทางนี้แน่ๆเริ่มเห็นน่ะเคาว่ากรุงเทพมีเริ่มมองเห็นหรอกละเริ่มเห็นทางละมันก็เริ่มมีความภูมิใจอ่ะความขยันทําไมไม่จิตวิปัสสนูนะวิปัสสนูคือติดอยากพูดอยากคุย ติดคิดถึงคนนั่นคนนี้ติดว่าตัวเองรู้แจ้งแล้วบางทีก็เข้าใจแล้วอืมก็จะหยุดปฏิบัติอย่าไปทําหน้าที่อย่างอื่นเนี่ยไปบอกไปสอนไปแนะนําบางทีก็มีความรู้สึกเฮอเสียงดังปานนี้เ น, นาะมีความรู้สึกว่าเอา้าปฏิบัติทำมาเนี่ยทางนี้มันไปนะแล้วก็เกิดความหยา พอเข้าใจแล้วสิอยากตะลุยเตจมที่เลยทีนี่ไม่นอนไม่นั่งเลยนะขยันทําอันนี้ก็วิปป์อารมณ์วิปัสสนูเข้าแทรกนี่แหละบางที่ก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจเข้าใจไอ้ น, นี่ยอยากไปบอกคนนั้นอยากไปถามคนนี้บาดทีมันได้อารมณ์มันจะไปอ้างครูบาอาจารย์นะบางทีอย่าไปอ้างว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจไอ้นี่อย่าไปบอกให้ท่านฟังหลายคน ที่ปฏิบัติทำไปสักพักหนึ่งเอาเข้าใจอารมณ์อันนั้นอนี้ขึ้นมาอย่าไปปลุกพระ <c oughs> ขึ้นมาคุยด้วยคือปลุกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเรารู้อันนี้เราเข้าใจอันนี้เข้าถึงอันนี้บันทีนี่จิตมันจะมีความรู้สึกเป็นแบบนั้นบนะางทีก็ไม่เป็นไรดูรมันเฉยๆรับรู้เฉยๆมันเป็นนี้ก็รู้มันมันมีแบบนี้ก็รู้วมันมีะแต่ไม่ไปคิดอะไรกับมัน ถ้างั้นการรู้มันจะชะ ง, งักการรู้ทำเราเนี่ยมันจะชะ ง, งักมันจะไม่ต่อเนื่องรู้มันเป็นอะไรแล้วก็กลับมาอยู่ที่กับปัจจุบันเฉยๆอย่าไหลไหลไปกับความรู้นะคนส่วนมากไหลไปกับความคิดความคิดความปรุงแต่งเนี่ยไหลไปกับอดีตอนาคตแต่พอเห็นทำแล้วเนี่ยมันจะไหลไปกับความรู้ปัญหามันอนะ อันนั่นก่อนรู้อันนี้ก็เข้าใจก็ไหลไปมันภูมิใจนะบางทีว้ายมีแต่ความรู้ดีๆเท่านั้นนะเอาปากกากับสมุดมาดิบันทึกไปเนี่ยคิดนึงได้คิดไ ด, ด้อย่าไปยุ่งกับมันถ้างนั้นจะกลายเป็นธรรมะจอมปลอมขึ้นมาจะดีเลยมันไปไม่ออกคิดเอาละทีเนี้ยนั้นรู้เฉยๆระลึกรู้เฉยๆตื่นมาก็ทำระลึกรู้ นั่งทำมันดีนั่งทำเดินมันดีเดินนะโดยมีนิวรี่เป็นตัววั ด, ดวนิวรนะถ้านั่งทำดีอยู่แต่มันติดตัวง่วงเอาเปลี่ยนนะเดินดีอยู่แต่มันติดตัวฟุ้งซ่านเอาเปลี่ยนเนะีฮยคือทําเพื่อแก้อารมณ์เดินมากหรือนั่งมากโดยยังไงเนี่ยเอาไว้แก้อารมณ์มันนี้ ที่สำคัญก็คือคนหลายๆคนถ้าเคยทำแบบหลับตามาเ น, นี่ยอันตรายโอ้ทิหายไัยปวกมาทำมาเนี่ยเพราะว่ามันถนัดอยู่กับกันอันนี้ฝึกหลับมาอย่างชำนาญแล้วนะเขาว่าเขาทำสมาธินะแต่จยังฝึกมาอย่างชำนาญเวลานั่งก็เอาละพอยกมือสันจังหวะามันไม่สงบอย่างนี้สงบดีสงบอยู่แต่มันไม่เห็นนะน่าสงสารเนี น่สงสารอืเขาว่ามันไม่สงบไม่สงบก็ช่างมันเถอะเขย่าวไปเถอะขวดนี่เจ้วก็จะ เ, เททิ้งละให้มันเหลือแต่ใจว่างๆเหลือแต่ร่างโปร่งๆใจว่างๆร่างโปร่งๆสบายๆมดไม่ทุกข์น่นะเราได้เรียนรู้มันไงอันนี้มันม่วงมาก็ะดีรู้ความง่วงมันคิดมาก็ะดีรู้ความคิดไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะมันไปอยู่กับความสง บ, บเลยมันเสียเวลาเสียเวลาที่จะแก้ไขอารมณ์นี่นะ แต่ในขณะเดียวกันอันนี้ก็สงบเหมือนกันเนะ่ะแต่สงบเพราะเห็นแจ้งสงบเพราะเอากิเลสออกเป็นแล้วมันถึงสงบมาเนี่ยไม่ใช่เป็นสงบตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะไม่ใช่คดังนั้นมันจะเข้าใจได้ดีเนี่ยนะพอมันทำมาได้ก็จะรู้จักว่าเอออันนี้สงบแบบวิปัสสนานั่นอย่ยเนี่ยแต่ก่อนเป็นสมถะมันจะแยกเลยทางไหนเป็นสมถะทางไหนเป็นวิปัสสนามันจะรู้ออกมันจะเข้าใจเลยโอ้นี่เป็นสมถะนะ หยิมาทำวิปัสนาต้องรู้สึกตัวทุกพร้อมเห็นความคิดอารมณ์มณมณมณนี่นะเนี่ยพอกลับไปไปทําเองก็เป็นเลยทีเนี่ยไม่สงสัยละในภาคปฏิบัติทำเนี่ยนะไม่สงสัยโอ้ทุกข์มันเกิดอย่างนี้นะมันดับอย่างนี้เนาะเี่ยมื่อก่อนคิดว่าเป็ น, พนเนพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้นะมึงไปสละข้อต่อชะตาไปทําวิธีกรรมบัณฑุต่อไปใหม่แล้วนะเพรามอยู่ที่ความคิดนี่เองเนี่ยมันจะมีความเข้าใจขึ้นมามันก็เกิดการปล่อยวางขึ้นมานะออื มันไม่สงสัยแต่ก่อนคนมาว่าก็เป็นทุกคนดูถูกดูหมิ่นยืนยันเป็นทุกแต่ก่อนช่วยเหลือคนชวนคนนั้นอันนี้ก็คือไปอย่างอื่นแต่ตอมาเริ่มเป็นสาระและ้วทีเนี้ยชวนที้เขามาดูชีวิตเขาเองเนี่ยมันจะเริ่มและมีพุทธะใ น, น้อยเกิดในตัวแล้วมื่อทุกมาเมื่อก่อนทุกนานคิดนานปรุงแต่งนานฟุ้งซ่านนานต่อมาไม่เอาละผมคิดปุ๊บรู้ทันทีละ มันคิดปุ๊บก็รู้ทันทีคือพูดง่ายๆอ่ะเขาบอกว่าคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยไม่ตกนรกนะคือจิตยังไม่ได้โกรธเกลียดชังเพีย้ยนแต่มันคิดปรุงแต่งุงสร้างเพื่อดับได้ล้นะเขาเริ่มเริ่มมีวิชาปิดนรกได้ปิดนรกคือมันไม่เข้าไปในความคิดไม่ความความปรุงแต่งยืดยาวนาน มีแต่สวรรค์อย่างน้อยๆเนี่ยมีแต่ความดีใจมีแต่ความสุขความเพลิดความเพลินชอบอะไ น, นั่นอันนี้ไปตามเรื่องชอบวันนี้ทํามันนั้นทําดีแต่จะให้เป็นทุกข์เป็นโทสะเป็นอะไรมากๆเนี่ยมันไม่เป็นแล้วมันฝืนเป็นมันปล่อยวางเป็นเนี่ยคนเริ่มมีอภิธรรมอภิธรรมอภิธรรมมีความเข้าใจในสภาวะที่ลึกซึ้งในขันห้าของตัวเอง รู้สึกละเอวิชาก็เริ่มเบาบางลงแล้วแต่ก่อนไม่รู้ตัวเลยเขาไปในความคิดต่อมาเริ่มมีวิชาแล้วเริ่มรู้สึกตัวแล้วมันคิดก็เริ่มรู้แต่ว่ามันยังเอารากเงาอาวิชชาสะวะเนี่ยออกไม่เป็นเอาออกไม่ได้ไม่รู้จะ อ, ออกยังไงทํำไงหนอมบางที่จะออกก็ทําไม่เป็นเนะี่ยคือพอจะนึกออกอยู่แต่มันทํายังไม่ได้หรือบางทีตั้นหามานะทิฏฐิเข้าแทรก อัตาตัวตนก็เกิดใหม่กูกูลู้กูก็เป็นกูก็เข้าใจไปที่ไหนเถียงแต่ธรรมะนะไปที่ไหนเก็เถียงแต่ธรรมะหลวงพ่อมาที่เลียงตอนเป็นวิปัสสนูนะไปเถียงกับพระศรีอานที่เมืองเลยจ้นสว่างนะพระศรีอานผู้หญิงนะเขาบอกว่าเขาบรรลุธรรมเขาเป็นพระศรีอานทางนี้ก็ไปเป็นสรีอารได้ห้ พระพุทเจ้ากล่าวไว้ว่าพระเทพพิโรกเขาเทียงไปเถียงมาเอามารู้สึกตัวอย่างนั้นนี่นะเอาไปมาจนสว่างนะเทียงกับพระสยานยากบางทีเนี่ยมันภูมิใจในความรู้ไงภูมิใจในความเข้าใจดวงตารู้จักอุปทานขันเนี่ยเวลาตอนเที่ยงเที<ล>่ยงหรอกะเดินตรงกลมไปอวิชชาตันหาวัดทากรรมรู้จัก รู้จากอุปทานเห็นอาการที่มันเป็นอุปทานโอ้มันเป็นนี้พอเห็นแล้วมันเกิดภาวะจำแจ้งขึ้นมาเลยพระเป็นแบบนี้ี่เองนี่หลังจากนีน้จากความรู้รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้รู้หนอนรู้นี้ว ร, ร, ร, รู้สัมผัดไปอาบน้ําแล้วก่อแล้วเทน้ําลาดไม่อยากให้มันรู้นะมันอยากจะรู้สึกตัวแบบสบายแบบลงล้มแบ น, นี้มันไม่หยุดนะ่ะ มันรู้ไปเรื่อยรู้นั่นรู้นี่ไปเออมันรู้หลายเรื่องอะไรที่สงสัยมันรู้รู้รู้อันนั่นก็รู้อันนี้ก็รู้โอ้ความรู้เนี่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยทีนี้แล้อยาให้มันโลง่งโลง่งโปร่งโปร ง, ปรงสบายสบาเพราะอ่านมาเรียนมาว่าถ้ามารัรู้แล้วมันติดความรู้อดติดความรู้ไหมนะมันเป็นนี่ปัสนูนี่เนี่ยเสียไปลำเวลานนเนี่ยเนี่ยอะไรมานะวันหนึ่งก็ไม่หยุดความความรู้เนี่ยนะมันไม่หยุด เป็นตั้แต่เที่ยงเช้าอาบน้ําตอนเย็นนั่งเอาน้ํำลาดตัวเองเล่นจบโอ้ยกูไม่อยากรู้กูไม่อยากรู้พอแล้วมึงอย่าไหลออกมาอ่ะนะที่น้ํำลาดมึงไหละปัญญาเนี่ยอืถ้าเราไม่ทุกข์กับมันซะกต่แล้วไปละตอนนั้นมันรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากให้มันรู้นะเราอยากแค่มันติดความปกติความสบายอะไรเนี่ยนนะ นีความรู้จริงๆช่างหัวมันรู้สึกไปทีเแ็ดดูมันไปมันจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้น่ะได้แต่นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เหมือนคนนอนไม่หลับนั่นแหละเฮ้ยทําไมมึงไม่หลับวะเอ้ามันไม่อยากหลับก็คือมันไม่หลับเลยเนาะนะก็ดูมันเฉยๆแต่นี้ก็คือเป็นทุกข์กับมันซะนี่ก็ไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็เหมือนกันนะเวลามันจะหายมันก็หายไปคนเดียวนะไม่รู้สึกตัวเลยมันหายไปตอนั้นก็กลับมาโล่งโปร่งเหมือนเดิมแบบ โอเข้าใจอันนั้นก็เข้าใจอันนี้ก็เข้าใจอันนี้อธิบายได้ที่เขาสอนนี้เพราะอย่างเงี้ออยสอนอนี้นั้นเพราะอนั้นทําไมจะเป็นนี้อันนี้สอนถูกสอนผิดโอ้ไม่มีผิดมีถูกสร้างอันแต่มันเป็นประโยชน์คนละแบบนี่อพอเข้าใจอ่ะมันเป็นแบบนี้นเองอ่อไอความรู้เนี่ยตอนเวลาเราทําบุ๊คอ๋าเราจะรู้จากปรมาจิเนี่ยแล้วแต่หรอ บางทีรู้จักขันห้าก็มีรู้จักตัณหาบางทีเนี่ยรู้จักผ่านตัวเวทนาแล้วจิตมันจะมาปกติของมันหรือรู้จักอุปาทานรู้จักแล้วแต่จังหวะมันจะเกิด น, นะอยู่กับหลวงพ่อจันทาเนี่ยท่านเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะเดินจุกรมอยู่ในกันวันหนึ่งเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา ท่านเดินเล่นๆหรอกไม่เอาจริงเอาจังสักทีนะหลวงพ่อจันดานี่ยนะยกมือก็เหมือนกันไว่หลวงพ่อมันจะรู้เรือไม่เนี่ยก็รู้สึกตัวนี่แหละ <laughs> ไม่ได้เป็นเจ้งหวะเหมือนเรานะหลวงพ่อนะเอาจับมือทําก็เป็นแต่ที่แรกหลังจากนั้นก็ <laughs> แต่ถ้านทำสี่วันท่านก็รู้รูปนามไวไอ้นี่ สี่วันรู้ลุกเ่ยรู้จนสมมุติเลยนะเนี่ยมันดังเนี่ยทุกวันทุกวันหรือจะมีเจ้าที่เจ้าทางว่ะลงพูนเนี่ยเจ้าที่จะาทางไปซ่อมแหงเนาะมันจะลั่นเรื่อยด้านนี้เนี่ยนนคือถมดินใหม่เนี่ยจากนี้ออกมาดันนี้ถมดินหมที่แรกเนีเป็นโรงจอดรถจานี้ไปถึงนดมันแข็งทางเนี่ยแต่ตอนนี้มันอ่อน คือความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาทาเวลาท่านทำท่านก็จะทำแบบง่ายๆทำแบบสบายๆแต่พอจังหวะมีวันหนึ่งนะคือลงในปา่าแหละตอนที่ได้เวลาจะฉันอาหารปกติเราก็จะเคาะบาตรเคาะอะไรก็ได้นอกจอบนะแป้งแปงแป้งแป้ ง, ปงท่านคงหิวมากวันหนึ่งนะเข้าไปในอารมณ์ มีนกทุนมาบินนะััั ง, ง, ง, งท่านก็อ้มหวาดว่หลวพ่อไปไหนนี่ว่ะเอ้าเข่าละครั้งไม่ใช่หรือว่ะ <c ười> โอนกเค่าะนี่นะเราเอานอกเข่อได้ยังไงผมก็พิจารณาหลายรอบแล้ว น, นะมันเสียงละครั้งนะเนี่ยนะเสียงคือเข่ะจอดเปล่านะ ปกติบินสะบัดมาแล้วก็เก็บเก็บเก็บรวมๆแล้วก็องหนึ่งก็เป็นคนจัดจัดจจัแล้วค่อยมารับด้วยกันนะแต่ว่ามาแล้วก็คือเปียกมดเนาะมันไปไกลบินสบาดเนี่ยในโรงในป่าแล้วก็วางไว้ก่อนอาหารการขบฉันเอาผ้าไปตากไปซักวางสักพักก่อนแล้วค่อยจีละครั้ ง, งนี่ น, นะจีรครั้งก็ไม่มีอะไรหรอกอันจอบขุดขี้นั่นแหละะจอบสรุป ทำส้วมนะส้วมเทวดาทำส้วมเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไม้หรือเอาอะไรพาดไว้อย่างนี้ให้มันมีรูลงตรงนี้นะขุดุมฟังไว้แนะ่เท็หลุมขีเลยมีรูอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ไม้พาดแล้วก็พ้าจีวรเก่าหรืออะไรก็ได้หอ่อเอาดินใส่เนนี่ขุดเอาดินใส่แล้วก็หอ่อ เอาไว้มาปิดนี่ปิดหลุมเนี่ยปิดปากหลุมเนี่ยมันห่อดินนปิดทุกอย่างงั้นเวลาจะมาถ่ายครั้งหนึ่งกันยกห่อปลาเนี่ยออกนี่ไปอยู่ในป่านะ่ละเมือคืนี่พว ก, ออกมาหาเห็ดหาหนูหาอะไรเนี่ยเขาชอบไปเปิดดูว่าห่ออะไรของพระเน่ยนะหลุมพราตุดงนะที่ว่ โอ้ยน่าสงสารเขาแ น, น่ๆว MM. ่าบางคนมันโกรธมันก็ฟาดห่อเราทิ้งนะด่าห่อใหม่นังดิเอ้ามันไม่ได้จ้างให้มาทำเนอะมันมันเข้ามาทำไมทางทิศนั้นก็ไม่รู้นะก็ะคือมาเวลาเข้ามาหาเห็ดเนี่ยเห็ดละโงกรูกนะ้จักไหมเห็ดละโงกเนี่ยแสงโคมไฟถูกเนี่ยมันจะสะท้อนนะ่ะสะท้อนสะท้อนเนยเราก็รู้สึกโอ้หกทุ่ ม, มันมาแล้วเราเพิ่งนอนตอนสี่ทุ่เอง บางทีที่สองผ่านมาแล้วตื่นสายก็ไม่ได้นะอายเขาเขาประหาเหตุเขายังมาตีสองเราพระกรรมานดับกิเลสไม่ตื่นตีห้ามันเกินไปนะอ้าวโลกขึ้นเดินจกกงกรมพับผาพระไปสบายดูผมมันพู่มใจไปแล้วเขามาหาเหตุอนะไรเขาเห็นพนระธุดงทํำกรรมฐานเนี่ยส่วนเพิ่มใจอ่ะทีใจชีวิตนะนเหมือนปฏิบัติให้คนอื่นดูนั่นแหละ ถ้าเดินไปเดินมามันง่วงก็ออกไปนะแก้ผ้าผ้าต้นไม้ไปเดินเจ้ากรมไม่มัอนง่วงของเราเนี่ง่วงก็ยิ่งเข้าที่เข้าทางนะซ้อบเบิ้งในกลับเมื่อบ้านอยากหัวแล้วกันเถอะนอนแม่มันสมองปวาแสบหลายอยู่วัดรับขักเหน่อขนาดนั่งในสารากันยังรับกนะันวะนับภาษาแล้วรับคดอกกันแยบกนะันวะโยบ้านกูขึ้นบัวรับนาะ ได้หลายคนคิดว่ามันเป็นพ่อเบกอันนี้นะขอซื้อกลับไปบ้านพอนอนที่บ้านไม่หลับเลยจะมาที่ว้าได้นั่งก็หลับอมันจะเป็นพ่อเบกวิเศษนี่แหละรู้ตาว่ก็ตัดไปแบ่งกันไปละง่วงมาก็นั่งเบานิดสะกน้อยจังหวะซะมันก็คงจะหลับ น, นะนะของหลวงพูดสั่งนี่ยิ่งราคาแพงมานะขอซื้อเอาซะนะขายบอลลุ่มบูขายหห้อยมาไปแช่น้ำกินเน่ย เนี่ยของราคาเนี่ยไม่ได้กินยานอนหลับเลยเนี่ยเอาของท่านไปเนี่ยสบายสาม า, า, มารถทำํำในใจได้สบายได้ถ้าเราทําได้เนี่ยความง่วงกองเงาหายไปไหนล่ะชีวิตเราอยู่วัดก็ง่วงอยู่บ้านก็ง่วงเป็นอันเดียวกันนะแต่เรามาเรียนรู้ที่วัดเนี่ยเราเข้าใจมันพอกับไปบ้านเวลามันง่วงมาเราแก้เป็นละมันคิดมาแก้เป็นละมันเบื่อหนามาแก้เป็นละอย่าเนอะเรามาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงของความคิดเนี่ย ของอารมณ์ของรูปของนามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เออมันกระดับไปเป็นเมื่อก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกกูอยู่ไหนแม่กูอยู่ไหนพ่อกูอยู่ไหนสามีปัญญากูอยู่ไหนทำไมแม่มาดูแลกูเนี่ยมาอยู่ที่ไม่มีอีกสักคนเลยอ่ะมีใครดูแลใครตัวเราเองดูแลเราตัวเราเองแล้วมันก็หายได้ทุกที่มันเกิดเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่นานมันเกิดมาเนี่ยมันกระดับไปมันเกิดมาแล้วก็ดับไปเราดูทุกวันแล้วก็เห็นทุกวันดูทุกวันก็เห็นทุกวันนะ แต่คนไหนทั้าง่วงมากก็ยากแลนะนะน่าสงสารนะนะทําพุโทโธนี้่ลงตาสงสารนะไม่ได้เข้าข้างวิธีนะอันนียแต่ว่ามันจะ่วงมากนั่นเองมัน่วงมากเพราะเราไม่ได้ตั้งใจทําไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อนละนิอวะละทำสมัยก่อนท่านต้องไปทุดงที่นั่นไปทุดงที่นี่ไปเพื่อนมันตื่นตัวไปดูสร่างศพบ้างพิจารณาโน่นนี้ไม่นานนักกว่าจะเข้าใจเนี่ย นะแล้วบางทีพระทุรตรงหลายองค์อย่างโนตาไปนั่งคุยกับหลวงปู่พานหลวงปูนว่าไผมเราไม่เห็นธรรมะหํามูเนี่แต่ละผมไม่เห็นธรรมะกระมูเนียเป็นพระเหมือนพระตลกเนียมันว่ปัญญาที่โผล่ยู่น้ำหลวงปู่หมั่นเพิ่นกราให้บรนว่าเพิ่นให้ผมกระหนีกระมาบ้านตั้งแต่เหตุมามีปีติสองเถื่อนยู่น้ำหลวงปู่หมั่นเนี่ย ได้พิธีสองเถื่อนอกนั่นกับอะได้น่ายก็อยู่ไปธรรมดาเนี่แหละมันก็เย็นลงเย็นลงธรรมดาเนี่ยกับบอกเฮ้ยนีแล้วเขาก็นึกเอาว่ายึดมันถื้อมันยังเนี่ยนะว่าได้สภาพว่าได้สองเถื่อนนั่งยูนับเพิ่นกันได้เพ <Sí? S 1> ิ่นเพิ่นว่าอะไรผมก็ง่ายนี้พวกปพันแล้วเป็นประเพือตลกนี่เนาะเราคุยแล้วบอกโอ้โหนะเพื่อเราไปพอกันอยู่ทังผู้ร่างกา ท่นไปสร้างวัดที่มันมีแต่เงานอนแหมบนว่ามีแต่เงานั่งกับสมาธิกับพระท่านได้ดนเงา น, น่นเมื่อเอาจริงเอาจังก็มิได้เดินนี่แหละหรอวะเมื่อที่เอาจริงเอาจังนั่นคือเดินเดินมันมีปีติก็ย่ําเดิน น, น, นี่แหละอาจารน์มโนนี่ส่วนมากเราจะนั่งหลับตาแล้วมันก็จะซึมหลับเลยมันไม่เดินนะี่แหะเดินเอารู้สึกเอาอ่ะจริงๆเรามาติดรูปแบบการนั่งสมาธิอันนี้ พุทโธพองอยู่จริงๆเวลาจะเข้าใจเนี่ยเพราะเราสู้อยู่เราเห็นว่าเฮ้ยกูทำมาหลายวันความงงก็ไม่หลุดออกจากกูสิกูจะเดินน้ําวันเนี้ยเดินตลอดเวลาเดินนะหลวงพูชาในท่านเดินจงกรมสองเก้าท่านว่าวันหนึ่งน้ำท่วมกุฏิจะเดินไปมันก็ะกระไรอยู่มีแต่ขีโคลนมาอยู่เนี่ยท่านก็เดินสองเก้าเดินเก้าไปข้างหน้าเลก็เดินเก้าข้างหลังเก้าไปข้างหน้าเก้าข้างหลัง โอเคเนี่ยชีวิตพอแล้วท่านว่าเอา้ามันก็เริ่มมีปีติมีความเอื้อบีมขึ้น ม, มาเหมือนกันนะ่ะเห็นไหมแต่ขอเราต้องเดินหลายๆก้ า, า, าวถึงจะพอดีส่วนมากคนศึกษาศึกษาจากครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะศึกษาเฉพาะอันที่เราชอบนะเอา้าเพื่อนนั่งสมาธินอ่ะดูเพื่อนเพื่นนั่งสมาธิขึ้นสงบดีเนาะเนี่ยเพื่นนั่งตอนท้ายลูกนะ แล้วก็เอาตอนไอ้ตอนอื่นที่ท่านเข้าใจเนี่ยเราก็ไม่ศึกษานะนะไอ้ที่เราไม่ชอบเราก็ไม่เอามาปฏิบัติธรรมเราเอาแต่จังหวะที่เราชอบนะแล้วแล้วแต่จริตเนี่ยนี่ไอ้ที่แล้วแต่จริตเราไม่รู้ว่าท่านทํายังไงกว่าท่านจะรู้เนี่ยเราจะเอาแต่ผิวเผินเว้ยท่านอยู่สายนี้น่าจะรับตารทำเราไม่ดูลึกๆว่าท่านไป็นลูกทำตอนไหนท่านเข้าใจตอนไหนกี่ปีถึงเข้าใจนะในอเนเลียบทไหนเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจน่ะ ขัน้นเขาเข้าใจมันก็จะคข้ขึ้นแต่เนี่ยเองมันเนะี่ยที่ได้เรียนรู้นะแล้วเข้าใจนะดังนั้นเวลาเราปฏิบัติทําเราก็จะสังเกตดูโอ้มันเป็นนี้นี่เองนะเนี่ยคือโดยย่อๆเนี่ยอภิธรรมก็จะคือเห็นความคิดตัวเองบ่อยๆแต่เห็นแล้วจิตโปร่งๆคิดมาดับไปคิดมาดับไปเนี่ยมันเริ่มเป็นอภิธรรมละเริ่มเป็นอภิธรรมอภิอภิธรรมอภิวิใน อภิวิไนายก็คือเอาความทุกข์ออกจากใจเป็แล้วเอามามาก็ดับเองนะ่ะอภิธรรมอภิวิไนายเพราะพุทธิย่อตรัสว่าคําสอนของตถาคตเนี่ยสิ่งที่เป็นอภิธรรมแท้ๆนี่คือปฏิจจสมุปบาทนะคือคนไหนรู้จักปรามัตรีรู้จักกันหน้าก็จะรู้จักปฏิสุวรรณคือเห็นการปฏิจจปะติปฏิจ ปฏิทก็คือปฏิทต่อของความคิดมันคิดนี้มันต่อเขาเนี้ยมันต่อไปเนี้ยเราตัดมันได้เอามาเริ่มไม่ปรุงแต่งมันมันไม่ปฏิทต่อเนี้ยแหละถ้าเห็นการปฏิทต่อของอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายยตระปัสสวิทนาันทานอุปทานเกิดมาเราตัดเป็นเนี่ยเห็นมันเกิดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้จักปฏิสมุปบาททีนี้การจะรู้จักปฏิสมุปบาทเนี่ยรู้ครั้งเดียวแล้ให้มันเกินการรู้แจ้งเลยแต่ถ้ารู้ตัดทีละเล็กทละน้อยละเล็กทีละน้อยเนี้ยความรู้นั่นถูกไหมถูก แต่ว่าสภาวะธรรมมันไม่ให้สติมันไม่มีพอพอสติมันไม่มีพอเนี่ยมันก็เกิดดับแบบสมมตินี่แหละมันไม่เกิดดับแบบปรมัตให้เดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดอ่นั้นคือมีปัญหาว่าทําให้มันต่อเนื่องสิความรู้สึกตัวเนี่ยทําให้มันต่อเนื่องมาทําความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือสมาธินั่นแหละมาทําให้มันเป็นสมาธิไอ้เนี่ย ความรู้สึกตัวต่อเนืงแต่สมาธิแบบพุทธเนี่ยมันจะมาจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวต่อเนื่องเนี่ยมีเป็นสมาธิพุทธแต่ถ้าทําสมาธิแบบนิ่งอันนั้นสมาธิแบบพรามนะสมาที่แบบไม่รู้ไม่รู้อารมณ์อันนั้นไม่ได้รู้แต่สงบไปเล ย, เลยนะสงบไปเลยมันไม่รู้ ทีนี้บางคนไปเรียนรู้อภิธรรมเนี่ยยิ่งมีชาวณนะมีภาษะมีโนมี น, น, มนี่มีจิตประเภทนั้นประเภทนี้มันเกิดดับแบบโน่นแบบนี้เขาว่าไปโอ้รู้สึกสนุกนะเล่าเรียนเนี่ยมันมีความจําได้ไปพูดไปคุยกับคนนั่นคนนี้ดีอมันมันก็เลยยาวไม่เสียเวลาไปซะพลาดไปซะไปตังคองซะไม่เห็นสภาวะธรรมเรียนจนตายอ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นพระนดียบุคคลกับเขาเพราะอะไรเพราะว่า มันเรียนรู้เรียนจําไม่ใช่เรียนเพื่อเอามาทําเพื่อปฏิบัติในอภิธรรมท่านจึงกล่าวคําสอนไว้ลายแบบคนปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องอาบัติเนี่ยอาบัติเล็กๆในน้อที่เกิดของทุก์เนี่ยนั่นเขาเรียกว่ารู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดทุกเนี่ยโอ้อันนี้มันเป็นอาบัติเนาะอั น, น, เ, ป น, อ น, น, นเป็นอันนั้นนะ่ะเป็นอันนี้น่ะจนทั้งว่ารู้จัก มหาปฐานน่ะมหาปฐานคือฐานของการเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดถูกเกิดผิดหรือเกิดขึ้นของอารมณ์แต่ละขณะแต่ละขณะของมรรคของผลเนี่ยมันมาจากไหนนะถ้าเรียนทางโลกก็เรียนทางสภาวะธรรมก็คือเห็นความคิดดับได้รืรื่ไม่ปรุงแต่ด้รู้ไปสู่การรู้แจ้งได้เลยหรือนั่นก็เหมือนยานสิบหกนี่แหละ พองยุบเนี่ยนะแหลายๆคนอาจจะเพียนพองยุบม า, เ, าเรียนพองยุบเนี่ยเริ่มต้นของการรู้ธรรมญานที่หนึ่งเนี่ยคือเรียกว่านามรูปปริจเจตยานนามรูปปริเจตยานแปบลบว่าเห็นเห็นนามรูปเห็นความคิดเห็นความเห็นนามรูปในขันหน้าะเนะ่ยนะ เห็นรูปอันนั้นแหละรูปเวทนาสัญญาสักรแต่เห็นตัวรูปที่เป็นนามรูปที่มันเกิดดับเมื่อไหรที่เห็นความคิดเกิดดับได้นี่รู้สึกตัวเห็นความนี่เขาเรียกว่าเริ่มต้นของวิปัสนาฮะนามรูปปฏิเฉทญาณสมชาาัญญาณนามพังคญาณปฏิยปริกาญาณอญาณนั้นญาณนี้ แต่เป็นสภาวะจิตอันเดียวนะแหละเพียงแต่ว่ามันพลิกไปมันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปนนไปเรื่อยๆสภาวะหนึ่งแล้วก็เออเฉยกับความคิดความคิดมานก็เฉยความคิดมาก็เฉยไม่ได้ปรุงแต่งอ้าวเป็นสังขารุ่งเปรยขยันเป็นเฉยกับความคิดเป็นละวางเฉยกับสังขารเป็นทีนี้คนมันไม่ค่อยเข้าใจมันนึกว่าเป็นเรื่องวิเศษวิสูอะผมถึงยานไหนแล้วตอนเย็นอาจารย์ว่ายานนั่นแหละนะภูมิใหญ่ ยาดีแล้นะพวงใช่แต่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่เป็นแต่เราปฏิบัติทำเนี่ยเราจะรู้ทันทีรู้ตัวเองนะวันนี้ไม่ค่อยพวงแข่งเท่าไหร่อะวันนี้ง่วงไหมไม่ค่อยง่วงคิดมากไม่ไม่คิดแล้วกระดับคิดแล้วกระดับไม่อยู่ไม่นานบางทีคิดยาวนานมันก็รู้ว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ระดับไหนหเป็นยังไงเนี่ยนะเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดว่ายา น, นยานู่นยานี i ให้เขาตื่นเต้นเฉยเพิ่นะพวกวันนี้อาจจะดีวันพรุ่งนี้มันถอยก็มีนะ มันถอยก็มีนะพรุ่งนี้เนี่ยนะมันมันเป็นตัวรู้นะเป็นวัลลภูเอาถือไปดีๆเด้อเอาฟาดขบะเอ๋เนี่ยมันมันอ น, นี่ยขบะเอ๋ เ, เนี่ยอง่ารับบ่ตากะเคาะไปทั้งว่าวหมดอกนะอืมนี่แหละมันเทศเพราะมันก็เป็นอย่างนี้นเนี่ยทีตายที่มือใครเนี้ยมือมันเนี่ยตั้งใจได้ไหม เมื่อตาขึ้นเีน่ยวพอให้เนี่ยตั้งใจดีเนะนหลวปูนะทำใจสบายให้ใจเลือลึกน ะ, นะให้ใจเข้าออกรู้หลับตาใสสบายเฮ็ดถึงแห้งไม่นีนี่ยกขึ้นให้มันวิ่งไปสิไหมนี่หลวงปูเอาขึ้นานีิไหมเนี่ยมันเหงาไงฮะ โอ้ยปวดให้มันปวดนเนี่นะเนาะอันนี้คือเทปสิมดิไมมันย่ลงย่ลงโอ้ยเอาพญยิ่พ่มานมันนั่งไก่ๆแล้วมันอยู่ใครนเนาะเอาใจเอาได้หรือยางจงกรมนั่นก็เอา้าญาติโยมเมื่อกี้กำลังจะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะกลับมาดึงเอาหลวงปู่ไปด้วยนะเราไม่นิพานคนเดียวไปหลายๆคนเนาะ พูดนะแหน่พูนีนแหน่ไปสะละวันเมื่อกี้ในอารมณ์เขากำลังจะนิ่งสงบแล้วได้ยินเสียงขอนตื่นมดเมื่อกี้นี่โต๊ะออกออกในผ่านมาอยู่นรกบเพื่อเขา <c oughs> นั้นเขาจึงปล่อยวางบายอาทําไปใจพอถึงจังหวะนั้นใจมันจะใสใสใจมันจะสบายใจมันจะโลง่ลงโลง่ลงโปร่งโปรงจะเย็นเย็นหรอ มันจะเข้าใจคําว่าฮี่ตุปัจโยอารมณปัจโยอธิปัติปัจโยอนันตรปัจโยสมณัตตาปัจโยสาเจตาปยโยอันยมยปีอันซีปัจปัจจัยของการเกิดนะนี่คนเขาเรียกว่ามันจะเริ่มรู้จักกรรมนี ot, ana, ่ตุปัจโยอารมณะประโยชน์ธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยมันจะมีหลายแบบอันดับแรกคืออารมณปัจโยมันมีอารมณ์เป็นปัจจัย อได้อารมณ์รู้จักเขาไมาได้อารมณ์รู้จักควาเสียอารมณ์เกิดอารมณ์เนี่ยรู้จักเข้ารู้จักออกเข้าอารมณ์ออกอารมณ์ปฏิบัติตอนไหนใต้อารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคนเริ่มเข้าฌานออกฌานเป็นเวลานั่งปฏิบัติเวลาปฏิบัติทำเนี่ยเอคนไหนถ้าทําตอนไหนก็ได้อารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มเข้าฌานออกฌานเป็นแล้ว พอเข้าชานออกฌานเป็นบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดปุเพนิวาสานุสติญาญาณสามของพระพุทธเจ้านะถ้าเราเข้าอารมณ์ออกอารมณ์ได้เป็นง่ายๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะอนั้นปรมัตรธรรมแท้ๆที่มันจะเป็นมรรคผลคือเป็นภาวะอนันั้ น, น่ะทีแรกก็ยังว่าน่แหละฝึกรู้สึกตัวนะฝึกปล่อยวาง สักพักหนึ่งก็เริ่มมีสมาธิอยู่กับรูปกายเริ่มมีรูปประฌานอีกสักพักหนึ่งก็เริ่มปล่อยวางกายเดินไป เ, เริ่มรู้สึกตัวชัดขึ้นเป็นรูปประฌานอันนี้พูดตามตำรานะแต่อีกสักพักหนึ่ง น, นี่เป็นการปฏิบรรัติทำก็จะเกิดภาวะพอมันวางได้มันจะเกิดมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วสวด น, นะ เป็นไปเพื่อความรู้ร้อมเป็นธดมที่พระสุคตประกาศมะยันตังธรรมังสุตว่าอวังชนามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าเนี่ยมันจะเห็นอะไรดีอันที่เนี่ยาชาติปีตุกะชราติโตกะมรณะปีโตกะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์โซกับริเทวะทุกขะโทมันอุบายย า, าปิโตกานะ ความโศกเศร้าความมันเสียใจความรำไรรำมันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิสัมปยโยโคตุโกกันประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ปิเยหิวิปยโยโคตุโกรพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ยำปิดชั่งนั้นลาปาติตัมปีตุกงังมีความป่าเถนาสิ่งใดแต่ไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็จะมาเป็นทุกข์ สร้างกิเตณปัญจุปรารทานักขันธาทุกข์อันทั้งหมดนี่พูดไปแล้วโดยย่อ ก, ก็คือการยึดติดในความคิดเป็นทุกข์ในอุปท า, านขันธ์ยึดติดในรูปขันธ์ในเวทนาขันธ์ในสัญญาขันธ์ในสังขารขันธ์ในวิญญาณขันธ์เป็นทุกข์พอมันเข้าใจภาวะอันนี้มันก็จะเบาขึ้นมาแล้วจะปรากฏว่าเฮ้ยจิตเราทําไมเบาจังลนะ่ะ ไปไหนมาไหนมันรู้ตัวมันเบากายเบาใจเขาเรียกว่ามันเริ่มเกิดมีสภาวะปกติเกิดขึ้นกับจิตนะจิตมันมีความปกติมีปกติเขาเรียกว่าเริ่มมีศีลปรากฏเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าปัจจะธรรมมีขันธ์ห้าเริ่มมีศีล่รูปก็เริ่มมีศีลมีความหนักแน่นไม่ไหล วิธนากระทบปุ๊บพอใจพอใจกระดับเอ้าไม่เริ่มมีสีน่ะปกติเองสัญญาสังขารวิญญาณมีสีลเข้าไปอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าสีละขันมีสมาธิขันมีปัญญาขันเนี่ยศีในพุทธศาสนาเนี่ย ป, ปรากฏหลังจากที่เราทำความคิดให้เหลือ น, น, น้อยแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยมาปุ๊บกะดับปุ๊บปัปุ๊บกดับปุ๊บเนี่ยมันพาว่าอันเนี่ย ราคาตัวสามูหัมก็บางๆไอ้ตัวศีลที่เริ่มปรากฏขึ้นแล้วความปกติเนี่ยโอ้ไอ้ น, นี่ที่ท่านบอกว่าพึ่งศีลจิตเราเป็นพึ่งศีลพึ่งสมาธิเนี่ยพึ่งปัญญาเอาศีลมาเป็นที่พึ่งมาเป็นสาระเนี่ยศีลป a r a m a t t ธรรมฮอันเนี้ยอันปรากฏขึ้นศีลแปลว่าปกติความปกติเริ่มเปิดขึ้นเด็ดิตแล้วหลังจากที่เราจัดการกับโลคโกรธลงได้ระดับหนึ่ง มันเริ่มมีความปกติแล้วเพียงแต่ว่าไม่อยากสมบูรณ์ถ้าทําศีลสมบูรณ์ก็กลายเป็นสมาธิสมาธินี่ก็ไปจํากัดไปกํําาจัดความโลภแต่ตัวศีลปกติเนี่ยมันจะกําจัดความโกรธไม่ค่อยโกรธแล้วเพราะมันไม่ไม่อยากเสียศูนย์ไม่อยากเสียศูนย์นะศูนย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะศูนย์เนี่ย มีค่ามากมาแต่คนไม่ชอบศูนย์ความปกติไงศูนเนี่ยปกติว่าเปล่าศูนย์เดี๋ยวนี้เขาก็ลณลงค์นะเจ็ดวันอันตรายขอให้กลายเป็นศูนย์เนี่ยนะเขาอยากได้ศูนย์นะรถกลับกรุงเทพกับบ้านนอกเนี่ยขอให้มันเป็นศูนย์เธอเนี่ยนะนะอุบัติเหตุขอให้เป็นศูนย์เนี่ยคน <c oughs> อย่าได้ห้าอยาได้สิบเหรอ จะได้ร้อยศพเหรอะขอให้ไม่ได้ศูนย์ซะชีวิตนะนั้นความปกติความเป็นศูนย์เริ่มปรากฏกับจิตเราอะโอ้มันสงมแบบนี้นะมันเย็นแบบนี้นะมันสบายแบบนี้นะศีลมันก็กําจัดความโทสะได้ให้เบาบางพอมันมากขึ้นมากขึ้นศีลบริบูรณ์มากขึ้ น, น, นความปกติมากขึ้นมากขึ้นกกลายเป็นสมาธิเหมือนเรารู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้น น, いいนี่แหละ เป็นสมาธิอนสมาธินี oh, Fine. Fine. Fine. Fine. ่ก็จะเห็นอะไรก็แค่นั้นแหละอะไรก็แค่นั้นแหละมันจะโลภมันก็ไม่เอาอ่ะเมื่อกี้โกรธที่นี้โลภอันนั้นก็อยากได้นี่อย่มันสบายๆว่าไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นแหละมันไม่จําเป็นมีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นพออยู่ได้พออยู่ได้จะเอาลาเอารวยเอาสวยเอางามเอาเดียวเดี๋ย้งม้วนซูมไม่จําเป็นนั่นนะมันไม่จําเป็น ที่พึ่งหรือสารณะของชีวิตของจิตเราเนี่ยมันเกิดจากการไม่รู้อันนี้เฉยๆถ้าเรารู้อันนี้ปุ๊บมันก็จะทําอันนี้เหตีดปัจจัยเป็นอย่างนี้ไอ้ข้างนอกมันก็จะให้ความสําคัญน้อยมากนะถ้าทําสมาธิได้ต่อเนื่องไอ้นี่สมาธิขันมากขึ้นปัญญาขันก็จะปรากฏเกิดขึ้นปัญญาขันในการชําระจิตเนี่ยสมาธิคือข่มไว้เห็นเข้าใจแต่ยังออกไม่เป็นเมืยย่อเที่ยวออกเป็นนั่นแหละ นี่ออกปัญญาเกิดเดังนนั้นอริธรรมเจตแท้เนี่ยมันอยู่ในภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราก็โอ้มันเป็น่างนี้เองเนาะจิตก็มีปัญญาเข้าไปประกอบโยคาวนชา ย, ยเตปุริมีปัญญาเข้าประกอบกับจิตจิตตัวนี้ยก็จะทำหน้าที่ไปเรื่อยๆเยเพราะมาถึงตอนนี้แล้ ว, วันก็เอ้ามันไม่ตกต่าแล้ววิจะเดินไปข้างหน้านะ เธอที่จะไม่ตกอยู่กับอาบายไม่ไปแล้วมันไม่ไปแล้วเพราะมันเห็นทางแล้วช่องทางทางนี้ชีวิตเนี่ยมันก็จะเดินทางทางนี้แต่คนที่กําลังเดินทางทีเนี้ยถ้ามันยังไม่เข้ามาเป็นมรรคเป็นเห็นศีลขันสมาธิขันปัญญาขันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะอยู่กับความปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างโกรธบ้างรักบ้างชังบ้าง แต่มันไปไม่นานนะมันไปอยู่ในอารมณ์แล้วไม่นานเดี๋ยวมัน ก, กลับมาอีกแล้วนะมันก็กลับมาอีกแล้วขอนกูไปใส่แล้วนาะ <c oughs> เอ้าตากาเทศมันจะทรมานพระผู้เท่าเราจะบาปนะน่ะตอนนี้ก็9โมงแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ทําวัดตามปกติน่ะจะ9โมงแล้อนุโมทนานะอย่าโยมตั้งใจนะอย่าประมาท สตินี้จะประมาทว่ามันน้อยมาเป็นปฏิบัติธรรมก็เป็นทุกข์ก็อย่าบอกว่าเอ้ยเป็นทุกข์เนอเหมือนลุงตาว่าแหละมาฉีดเซรั่มซะฉีดพิษงูเข้าไปเดี๋ยวมันจะต้านพิษพิษต้านพิษเอาทุกข์กลับไปต้านทุกข์ให้ได้ถ้ามองไม่ได้ชีวิตภูมิใจที่ได้ทุกเนี่ยเฉยกับทุกเป็นปล่อยวางทุกได้สบายเอ้าวโมทนา